บทนำธรรมบัชรเช้าโยโซภาวารังสัมมาสัมพุทโธพ ร, ระผูมีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ได เป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวะะัสดิ์ตเยนาภคะวตาธามุ เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยาสาัพภะคะวะโตสาวกะสังโกร ราสรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ปฏิบัติดีแล้วตามมยยังพระกวางทางสัทธามังสัสงขังอิเมอิสการะหิยัทารังอารูปิเตหิอาภิพูชยางอา ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชายอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ น, นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องส ก, การะทั้งหลายเหล่านี้อ่านยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร สาธุโนโพันเปพระวาสุจิราปรินิพุตโตปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทำลาย อาชิมาจนาตานุกรรมปรมมานสาทรงมีพระอรไทยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสากาเรทุกขตาปนาการผู้เตปฏิคันหาโตขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรนาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อามหังทิขรตังหิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน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 ข้าพระเจ้าอภิวาสข้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาก า, าโตภะควาตาธรรมโมพระทรรเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดไว้ดีแล้ว ธ้ามังนมสามมิข้าพระเจ้านมมสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆ ร, ระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สร้างขังน้ำมารีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์